เอาเ้ากับบ้า น, น, นในนึกในฝัน่าโมพี่มูนองสีมาแข่งดอกเอ้ากันได้ไม่ได้ตอกํำลาดํำเลิศเพีสังซื่ อ, อ, อไม่ได้ตอกในตกค า, ายตกเคยแขยงดอกแล้วลบผูสีสบายอย่บอกแล้วดึงแขนที่ต่างมาเนี่ย เมื่อที่ต่างไปบอกคนอื่นเสียงคำว่าไม่ดีเมื่อี่ต่างมากอะไร ด, ดอกว่างสเสียงพนากพนนอ อ, อันนั้นแน่ ล, ล, ล้วะแทนแทนเกียรติดและว ะ, ะพัก ย, ย, ยังปูนบ้ท่านมั เก่ทนโอ้เร็กกว่ท่านเออใช่ใช่เล็กไงเนาะเออข้องเสพผีเห็ดเนาะเห็ดเป็ไห้สุพรรคือเพิ่นถามบักเตออบักเตอร์ไอ้พี่นคืออันนู้นงเห็ดเหมือลายป็นไรพ่่นโอ้ยตกทุกตกก็เหมือนลายนะพูดเพิ่นว่าคีทุกเพินก็เมืนลายนะี่ท่นนี่คือการตกทุกว่าเหมอลายนะ เพิ่นอาจารย์สีรถผู้สีเพิ่นกรบบางลายละเพนคนคนี้อันเดียวกันละนี่ก็ได <c oughs> ้เงืนเง่นล้านโตเงือนสามตตางเพิ่นะก็สีวเฮ็ดสองพักเฮ็ดสองพักไดนเพ่นสินางเม็ดหันตั ว, วก็เลวเฮ็ดสองพัก พระพระยังก่งมเมีพระย่อมไยังโมเมียัน พ, พ, พระเพื่นก็พี่ผ่านนี่สียชนะย่อนี่สันรบผู้มันพ่า ง, งหาหาส่มันก็เป็นคนละพระ ก, ก็แล้เ่าสันมื่อที่เฮ็ดพระได้กับว่พ่อสมุทรพัะ น, นึกว่าเน่ปีนล่อยน่ส่าเดียวกันหะละเออเดวได้เฮ็ดพระเดีย ว, ว, ย ว, ว, ว, วสันมันวดยากสันเฮ็ดพรเดียวกับพระเดียรอกมื่ไเ้ว่าสันเขาอยู่พี่ดอกสันยึรลมหัวสันเมื่อสันเขาอยู่พี่มักับสูบอยแล้ว พ้ อ, อ brasile, งสิบอบเครื่องยมารป่งพูฟีงขึ้นมากลังเดียวท่านยังกระแทบสิแตกเลยตัวงืดกอยู่เลยเงือกลบปูสีอยู่ตัวกับเงืดเอกเพิ่เพิ่นมาสร้างเสียได้แค้ว่า่นตัวแลังเดืยวเนี่กระแทสีแตกตายเลยเนี่ยวิผู้มากส่วนเห็นแค่ได้อีมือนึงกอดลูกสาวมือนึงถือผ้าโมกุญระบาลอี้ ก็ปอ่างคนส่ามีน่อยมีหลายกัญญาดอกดตาโลคธาข้ากะปูาบพระพุทธธาตพระสงฆ์มัซารก็แล้วดอกสวมท้องโต ม, มีนอย่สวรรไม่้องโมีหลายแตสว่าไม่ท้องโถไนว่าขีพ น, ว, น, นว่าน้ำลายพนออหรือว่าน้ำลายพระพุทธเจ้าซหรืว่า ขี่เธอพระพุทธเจ้าซะพระธรรมพระสงฆ์ซะพระอนิจจมุคคุณซะคนไายออกแล้วปัจจัยที่ขีว่ามินทบาทเสนาสนารเพศาสารถพระมติดูมีหน่อยก็ไม่ท้องคนมีหลายก็ไม่ท้องคน ด, ดูอนะไรท่านมีนะมัดไตรยว่าธาเหายังเป็นสมบัติท้องคนอยู่พันธีมัหือหนูเฮาเนีสร้างาวารุี่นพถี่ว่นดต้องสร้างไว้แล้วกันพันชาพ่อักถี่มดนะพเขาช่วบิาเ์ัน เราศาสนาโรดว่าเราเอาเนซื้อไปแกะกันกนมาแล้วมันจะคร อ, ออกกันถวายัางเาซื้อไปแกะกันกนท้องไป้องมันถือไว้อาลอเลนว่าอา้ยาดอกมันรั่วได้ยิ่งฝ่าอย่าง อันซื้อไปแจกกันทั้งกันกมันไม่ใช่ใครแล้วอืมรูหมความขัดพบกันบ่โอ้พระร้ า, ายพระเพลินเนาะพระร้ า, ายพระเพลินกัมันพระลูกทิพย์ุธรรมสงฆ์น่ ะ, ร ะ, รนะบริวาร้ า, ายพระอุลุเวลากขจัพักีเป็นอุลุเวลากขจัักบริวา์บริวารร้ า, าย โตันขั้งนอกหน่อยแนวโยกบังหน้าวโยกโบัหนาวสอสอรัพต่อบินคลิปออกนึ่งเขมันเหื่อกมันเหื่อกแซงเหื่อกรแซงนะชี้ท้ายหัวแล้วก็พ้ายเลบกันจมกัจมสองสาคนความได้ขวามันสองคนคนเพิ่นันวามได้ความันได้ตั้ง้านกันจมก็จมตายว่าั้ง้านเพิ่น อเริ่มน้อยได้บ่ให้ได้เดี๋ยคุณเริ่มบ่ พบการวัดอะรดต้องห้าววทานไหว่าตงกลุมเนาะไหบอกเหรอเมี็เดือดหมดัดีนมดิมดมัหมดลบ่า้องาเหมดล ซื้อหร้รวมก็เอาอไปมาซื้อนะก็ซื้ออันบัรเสียนะเตรียมหนะน้าก่อนเยียมมากเลยมน้าพ่ออันจีมวย น, ออ น, นี่พระมาสองสัลางลองสาาัลลางอะไรมืง้ง ร็บ้านมาตลอดพราะทำเกษตรเกษ่รอะรเป็นโรคเป็นโรคสามสี่หาแนวโรคไ่เลือน โรคหัวใจโรคคุ้งน้ำดีเป็นนิ้วโรคท้องฟูโรคงูสวัสดิ์โรคซชราโรคซชราเป็นหัวจักมัน่นทุกเ ม, มื่นมันกำลั ก, กขอผู้่วงประชื้อรถไฟไม่รู้วินาทียังเสมอไม่วินาทีก็เกียมตัวตายท่านละ เกีย๋ยตัวตายก็เกี่ยมภาวนาตายกันเยอะกันตายแล้วจะไปไหนไปไหนก็ไม่ทราบละตายคาภาวนาเราเป็นเอาละ โอ้เหมอือนอ้วนยาที่สุดหรอกอยาโพมันมือละสิบเมตร่นพวกพระพระพี่เลียงเป็นอวาวุหญ่มือละสิบเมตรกุ้งเมียงเมือยี่สิบนเสงว่างยาตามคุณหมอข้าเจา้าซังละเป็นวัชรินทร์ เป็นโรคหัวใจามาได้สามปีนี่เป็นโรคส่เลื่อดมาได้สองพห้ารอยยี่สิบสองโลกใส่เลือ 6, ลอลเล่อนโลกใส่เลือนไม่เห็นกับผมกับตาอายุยี่สิบปีเขาไปเหงาว่ามึงแห้งก็บับเพลินไว้แห่น ราปามัวงให้อายแน่เท่าเอ้ยนะ่า น, นตอนแก้าก่านเราไปกินข้าวหน้าน้ำอ้ายก็ได้วอ้ยน่านอ๋ิถิ่นที่อรอก่าไปนะท่านกัญญากวดร้แรงแล้วง่ายเขาเ่นเขาว่าตัวแห้งนะฮู้ดังเพิงแงบเพิงแงบอาอยุี่สิบไปไปกับบักเพิงบักเพิงมันเชียวไปหอดัาเชียวห้องเทียั่างไหนนะ่น เอ้ยเหตกไมึงกติขึ้นยางงังหมอไอ้พัันอันค้นวงหลายปานนี้พัันมือห้องก็เปพูวกวางแผนข้องมันสั่ตัวสั่เขากติซอยู่นเนี่าพันว่กูเ็เจ้าก็เหตุตัวไหนได้วาบ่โมยงาดอว่าสั่งวาแผนข้องข้อเอาเขาแคบเอาเขาแคบแล้วมีดีๆนะก็เหตุบ่วง ว่งข้าวเอาไปใช้ท่อนมันไตรไตรขามันเยียพังกับตีขามันก็มันทกขึ้นมันทกขึ้นมันเดียบร่มมันหยับถือบ่วงหยยบถือบ่วงซักขาหยับถือ่วงทั้งคนกับซักขาอีกต้องขานาขาหลางมันมาดคดหมูติดกันมันก็ล่มลงคมนกซอยขาไโตถือของสนุกเออมาสักบัคีเดอมเย มึงยาดื้บบอคำวา่าตอนมึงมันได้ไท่านมันบ่อ้วนาตอนมึงมึงฉีดื้อไปส้นเขาเหมึงเดีขายราคาสูงสูงนะท่านพันิตแตแปล ง, ง, ง, ง, ต ง, ตงหกแปลงบมึงรอกท่านมึงอาจุกี้ยย้อยเนอะีมึงห้องท่านความรงพี่แล้วบอกให้ห้มแล้วกับพี่แล้วมีพี่ชิมเขาก็มานี่พี่ เขาก็เอาน้ำมันมาทุกๆๆๆๆๆากรตามนี่นะน่ะกระตาไปกํามากระาไปกําม้าเกียมตัวเกียมตัวเก็บแล้วมันนะแล้วมันนะเกี่ยมตัวเก็บบานวัดออนนี่ทุกวันน่ะขอนเด้อขอนเขาก็ตีระบาลนี่เพิ่งเดี๋ยวไปเรื่องมาเดี๋ยวไปเรื่องมาเดี๋ยวไปเลื่องมาเนี่ เ ร, เรียนไปเรียนมาเล้ยไปเ้นมาเขาข้ามบางมันออนไลน์เลยได้ไรเมื่อก็อนห้องอู่อูอูีสัตต์ออกจากของก็หัวละวันถือเป็นของสนุกของท่านพอออกมาสิซ้นนี่ฮะนี่แรนขึ้นหนงไหวพอข้านั่นนี่กดสองนสองห้ารยยี่ยี่สิบสี่สองันห้าร้อยยี่สิบสี่มันก็มาแปดหกแปดสมให้ตัวแท้สันแย่ อยาใส่เอามาใส่กับวัตถกนั่นอยาใส่มาใส่กับวถือกันเล้วก็มันแปลหมุกแปลงต้มไาตัวบาลเขาเอาไปหอดร่งพยาบาลซิมิตริเวสกับอะไอเขาเขตัวไปเขารอไปยาวร่งปูกไปเท็โรคเขาเพราะร่องปลูกแกงไก่มนุษย์เขาเอายาอะไรมาให้ก็ฉันกับกับกับกัับ ควรจะเพิ่มโลกอะไรก็ให้รู้จักนสิเออหลวงปู่เมื่อได้ไปนอนคางคืนในโรงพยาบาลเนอะทำยังไงถึงจะกลับมาทัน อ, อ้อถ้าอย่างนั้นก็พวกเราก็กลับเพราะว่าเราก็ได้กลับบ้านสองสามมือทอดมาเองแล้วพวกลูกๆไปเคลียร์เขาไ้แล้วออไป จะให้กลับในวันนั้นแต่ต้องกลับทางรถไฟเพราะมันหมดพอมันหมดเวลาเครื่องบินจะกลับตัว ก, ก็เลยไปย่างฝุดฝืดไปแล้วแก้ข้อของโรงพยาบาลทีวิตชีวตเขาเข้าไปเอาเข้าไปเรา ไปดพูดนะพอ พ, อพอเทียงวันประมาณเทียงวันอะจะมาได้เอาหน้าเนก้าไปนั่งนี่มันลงออขอตรวจลูกอันทะ a ลูปู่อออทำไมมาตรวจลูกอันทะไปรวมลงปูงป่มาไ่าจะตรวจลูกอันอื่น ได้มาแล้วก็ตรวจซะน้องผู้มันเสียเวลาห<อ>รก็เป็นวอลน้องผู้ตรวจอันลูกอันทะซ<อ>ุ่งเขารอไปเขาเขาไปบางก๊กเสาของเ ข, งขาญานหน้าเขาไปวางลูกเขาญาตาให้เขานักสามทีหน้าหั <c oughs> บ, บ, บางก๊กเสาอยู่ บอกสักงบซ่อมสังเกตตัวเ่นี่คุณหมอกระบอดีปั ญ, ญังใจดีไว้พวกนีุู่้้ํำร่าวบานใจเดี๋ยวนี้น้องปู่จะพูดแบบลูกลหลานเออไม่ได้พูดแบบคุณหมออะไรละมันจึงเข้าใจง่ายนาหนึ่งอายุสิบแปดปีประมาณ ใหมวกแล้วแก๊แแกแล้วแกบแแก็บมากใสหมวกแล้วแก๊บแล้วแกบมากมาค่อยๆใส่ผู้ใหญ่เนี่ล่ะแล้วลูกปู็ยืนเนีเขาวดลูกอัน t h อยู่ยในห่อตามันซักมาใส่ลูกอัน tha ลงปูลงปูให้เขามันหนีหนนคุณหนูคุณหคุณหนูไม่ต้องการไม่ต้องการไปไปไไปมันยางยัดยัดอย่าพินหนามานะพินหน้าออกผุดมัน พี่นาพูดว่าผมามันก็หอมประมาณเออถูกร้องปูดูแล้วฉันร้องปูดูแล้วเาก็ว้าวอร่อยยุคเขาก็ได้ผมมาพอเดียวเดียวมาไดยเกเลยมาเนื้อร้งปูผ่าตัดซะเดวเหายประมาณยีสิบนาทีก็หายนะร้องปูนะเย็บแล้วเสร็จนิดเดียวไม่ยากเลยลูอันทะนี่มันเป็นรูอันทะจริง เออหลวงปู่สมาทานไว้แล้วอันนี้มันเป็นขั้นที่สามที่สี่แล้วหลวงปู่จะพ่าจะตัดไม่ได้เพราะหลวงปู่รักความศักดิ์ยิ่งกว่าชีวิตเสียชีพิดีกว่าเสียศักดิ์เสียชีวะประวัติก็เสียชีพเสียดีกว่าหลวงปู่ตั้งสัตด์ไว้แล้วคราวก่อนนั่นก็คุณหมออุดมจะไปผ่าไปตัดหลวงปู่หลวปูก็ขอบพระคุณอยู่เท่ากับว่าผ่าแล้วฮะแล้วพ่อเก็บกานาดี นี่ก็เหมือนกันก็ถ้าเกับว่าผ่าแล้วหายแล้วก็เจตนาดีแต่จงช่วยรักษาความสัตย์ของลูกผู้ใหญด้วยระวังสิการที่ไม่ผ่าให้ตัดมันเป็นอะไรอธิบายให้ลูกๆฟังสิเรื่องเหตุผลของลูกผู่เออมันเป็นเหตุผลเฉพาะส่วนตัวไม่ได้ให้กระทบกระเทือนท่านผู้อื่นทัน้งครูบาอาการท่านผู้ใหญ่ยกว่า ลูกใสเก้าใส่กระหม่อมไว้ส่วนตนนั้นก็ไม่สมฐานะของโรงพยาบาลโกโกกเก๋ขอแก่แล้วบางทีก็หายบางทีก็ตายถ้าหากว่าหนุ่มๆอยู่ก็จะลองดูนี่แก่แล้วบางทีก็หายบางทีก็ตายถ้าตายในโรงพยาบากลกระโหกก็จะได้ซื้อ จบก็จะเอาขึ้นภาคอีสานก็ลำบากลูกหลานอีกและการพระป่าจะตัดที่นี่ลูกลหลานเขาก็จะมาเฝ้าด้วยเราก็หนักใจเขาก็หนักใจเพราะเราเป็นพระปา่านี่อันหนึง่งอีกอันหนึง่งหน้าพิจณาอีก ก็หลวงปู่มั่นท่านก็เป็นโรคฤทธิ์สีดวงทวันหนักท่านก็ไม่เห็นไปโรงพยาบาลที่ไหนอันนี้ก็น่าควรคิดอยู่เหมือนกันแล้วอีกอันหนึ่งก็น่าควรคิดอีกเพราะบรมศาสด า, าฉันงงงวดของนายคืนทักำมานหมดแล้ว ก็โดนสัตเสพระนกรไปเมืองกุชินาราในวันนั้นตื่นเช้ามาองค์ท่านก็เข้าสู่พระนิพพานเอานางรั ง, งทั้งคู่นั่นเองเป็นโรงพยาบาลเมื่อมาคิดถึงอย่างนี้แล้วเป็นเรื่องส่วนตัวไม่หวังให้กระทบกระเทือนท่านผู้ใดเลยมันเป็นเรื่องส่วนตัวคนเดียวถ ม, มีเหตุผลอย่างนี้จึงไม่อยากผ่าอยากตัดและการผ่าตัดคนขนาดนี้มันก็ เมื่อกนน็นานงอกหลายวันจึงจะพอหนีจากนี่ได้นี่ก็เป็นเรื่องให้หนักไก่อีกอันหนึ่งเป็นเฉพาะส่วนตัวไม่ได้หวังว่าจะให้กระทบกระเทือนไปโลกทาาเอออันไหนลอ็อกปูก็พรวดราดหมดลอ็อปูก็พรวดราดหมดก็สู้ล็อปูไม่ได้ทนี่ก็าตามเดิมเขาก็เลยมาแข่งเหลือไห้แข่งเหลือให้กวดเบื้องเหลือ ว่ากระเลือดดีอยู่ <Okay. S 2> เขาเลยไปเอกให้เขาไปเอกให้บอกว่ากระดูกข้างหลังนั่นเคลื uh ่อนบ้างเนี่ยเขาก็เลยแทงยาแงยั ง, ง, ยงหายเขเลยมัดไว้ร่ากันก็เลยมาโ uh huh. oh, อ้ยพอแมวมาติดรถ ด, ด้วยหัสามถุ่มสองทุ่มสามทุ่มก็เลยขึ้นรถไสมาเขาซื้อ รถนอนให้เขาซื้อตู้ตนอนให้ทุกจริงๆทุกจริงๆแม่ตัวแล้ว <c oughs> มาหอดอุบัติเหตุแล้วนั่งมาต่าง ม, มาทรงเพื่ออัศนาของเห่ามันผสมเราโรงพยาบาลก็โกงกีก้ๆอันนี้สี่ก็บผสมอันนี้สี่ก็บผสมเห่าเห่าเห็ดที่ไหนกำมาแล้วเห่าตายเห่าก็มาให้อมาสารานี่นี่น <c oughs> เหาเห็ดว่าถามเลยนี่ เผาคนนี้เพราะฉะันเขาบ่ให้เอามาสารานี่การมาสารานี่ปัญหามันเยอมากเพราฉะันพิในกรรมฮ่อก็เฮ็ดไว้แล้วให้เผาเลยไ่ต้องเฮ็ดร่มปุกร่มปลุกดงเล่ลลเงคนใจมันมันค้นองคล้อยพระพุทธศาสนาเป็นของสูงกว่าศาสนาได้ไดทั้งปวง พระพุทธศาสนาสอนใจทำาน้มนีใจก็สอน ม, ม, มาได้คนบาบ่ายเสียจริตพินมนุษย์สอนได้ดรนะเรียนสั่งพระพุทธศาสนาสนี่ยจึงเลือกเอาแต่คนบาบาใบเสียจริตพินมนุษย์มาบวชองพระพุทธศาสนาลำเอียงเพราะมันมาพอเสร็รับถ้ำได้เพิ่จะว่เอามาบวชคนโจรคนผู้ายจนเกินไปเพิ่งกระ่มาบวชเล่าโม่เฮาไร้นยนีในเหลือใมใในพระพุทธศาสนาะ ว e ุ้คนผู้เหลื <pr> ่อมเสีน <American> ี่พุทธศาสนานี่มันได้สั่งบุญเยอะสมือเด้เพราะว่าจิตใจนั่นมันบ่นึกอันหนึงว่าเป็นอารมณ์มันก็นึกอันนึงว่าเป็นอารมณ์นึกอารมณ์อันเป็นของเรื่องของบุญของมันนั่นแหละว่ามันธานวัดกัศีลวัดกับพระวนาวัดอันนี้อันนึงว่ามันพุทธทรมสงฆ์อันอันนึง่มันเงินกับเงินหนึ่งเป็นอารมณ์ของคิดของใจพวกถือพพุทธศาสนานั่นได้บุญเยอสมือพวกถือบ่มีบาไมีบุญก็ได้บาเยอะสมือ บาปมันก็ไปพูมันคู้นบาปเมื่อก็ไปบวกบาปบุญเมื่อก็ไปบวกบุญเมื่อก็ับไปคู้นบุญไรเงี้ยเทไว้แค่พบได้ศาสไหนก็ไปบวกกันคู้นกันคับาปคันบุญเท่าสางพ่อแล้วบาปมันมีมันอยู่เมื่อกลายออกนีเมืจากคิดจากใจเอาเท่าเข้าสู่พระนิพพานเข้าสู่พระนิพพานเท่านั้นเรื่องมาบุญบุญแล้วอย่าไปกลัวเลยที่สุทั้งหลาย บุญกิริยาวัตถุกิริยาที่ทำบุญมันมีสียาทานะไมาบ้บนสมเด็จว้ายการบริจาคทานศีลละไมาบ้บนสมเด็จว่าการรักษาศีลภาวนาไมาบ้บนสมเด็จว่ายการเจริญภาวนาอัปจายะละไมาบ้บนสมเด็จว้ายการประพฤตถิถอมตนแก่ผู้ใหญ่เพิม อ, อ, อ่มอนน้อมพวมอ่อนน้อมเนี่ยเป็นมันก็เป็ น, น, บ, ปนบุญอันนึงเพิม่มมาสน่งตัวคพิ่มเวิมมามีทิฏไมนะว่าอ้างกรแล้บ้างการ เมข้ารถตัวหน่อยผัวไงพอแม่คู่วะอาจารย์ตามสถิติกําลัา ง, องของเจ้าขอมันเป็นบุญกองนึ่งเวียร์วัจหมายบุญสําเร็จด้วยการช่วยคนขวายในกิจที่ชอบกิจธุระอันไหนที่มันชอบช่วยการคนขวายมันก็เป็นบุญอันนึงปฏิฐานทำไมัยบุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญพถ้าบุญแล้วอุทิศถึงพอถึงแง่ ผู้ลมหายตายไปสู้วรรโลกให้หนาตลอดทั้งสัดทัวทั้งตะลอกกระทาอันนี้ก็เป็นปัิท่าหน้าไมหมือนชัเมตรด้วยกันในส่วนบุญวัด ต, ตาอนุโมทนาไม่เหมือนชั้เมตรด้วยกันอนุโมทนาส่วนบุญเราอนุโมทนาส่วนบุญ น, นั้นมีสองอย่างเอาอามิต์มาเปลี่ยนพญาณ น, นั่มกับนี่อนุโมทนาแต่ในจิตในใจก็บี่ก็กได้บุญคือกันว่าวัด ต, ตานุโมทนาในส่ว น, นวการอนุโมทนาส่วนบุญ ทำวัด ส, ส, สวณรใหม่บุญชัยเด้วยการฟังธรรมการฟังธรรมนี่เป็นบุญอันหนึง่งทำมาเทศนาใหม่บุญชัยเดือดการแสดงธรรมนี่ก็เป็นบุญกองหนึง่งทำมเทศนาใหม่บุญยการแสดงธรรมสัพพทานังทำให้ทานังชี้นาติให้อะไรเป็นทานก็ไม่เท่าให้ธรรมเป็นทานให้ธรรมเป็นทานชนะธรรมทั้งปวงชนะทานทั้งปวง เป็นห่วงวุธิดาเกรงว่าจะไม่มีสินทำเป็นเครื่องอยู่พระพุทธเจ้าเป็นห่วงพระาหมุนพ ย, ย่านหมุนไปในทั้งโลกเลยเอามาบวชน้่มทิถุชุกรรมการทำความเห็นให้ตรงการทำความเห็นให้ตรงก็เห็นยางไงเห็นว่าบามี่บุญวิ่มาคนเียผ่านมี่วมมีม่ก็แว่ขึ้น คนเฮ้ามันใจถึงสักวันแต่ถึงที่วบาปก็เป็นบาปใ่ถึงเที่ยบุญมันก็เป็นบุญพระโสดาบัรสักกระแทข้ามี้ใจถึงทั้งออกนอกโลกพระนรหันต์ใจถึงทั้งโม ม, มมีเกลเลตก็เลือาสู้คนพ่านซะประชาธิปไตยท่นเข้า่าประชาอธิปไตยสามอัตราธิปไตยความเห็นตนเป็นใหญ่ โลกาทีปไตยความเห็นโลกเป็นใหญ่ธรรมาธิ่ปไตยความเห็นธรรมเป็นใหญ่อธิปไตยทั้งสามอย่างนีง่ธรรมาธิ่ปไตยเป็นดิง้งเป็นดิง้งเขาที่ปไตยทั้งหลายโลกาทีปไตย ก, ก็ตามคนมากลากไปก็ะชั้นลากไปทั้งพิษมันกับตะกเหี่ยวตายเบิ้ดลากไปทั้งถือมันจังถือน้อยกระชั้างลากมากก็ตามขันลากไปทั้งพิดมันกับพิษลากไปทั้งถือมันก็ถือกันเอะ อัตตาที่ไระไตรควมเห็นตนเป็นไงอันนี้ก็บว่าถือม่อนตองเอาธรรมะที่พระไตรมาเป็นเวยนจะ ก, กันข้มสอนได้ไรเนี่ยไต่โลกธาทุต้อเหมือนกันทันว่าเอาค้าสอนพระพุทธเจ้ามาเป็นแวยนแล้วว้าไปบอหลอดอนับทีบรุปอวาบายยกภพทุกประเภทพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนอนุศโลกเที่วดาว่าฮันด ไ, ไปเรียนเรียกยน้ากัน ผู้ลบวกส้วงเทวดาม่เรีนเลืเลเล่องดีย้าเทวดาพิบ้ า, า, าวยังไม่เรีนน้ำผ่าวางผ่าวเสีอวบายยมุกทุกประเภทเป็นเหตุแห่โลกยิบหายข้าสอนเรื่องต้นของพระพุทธเจ้าสอนในเวทอบายยมุกมุกขขามุขขามีเนี่ยว่าการคล่ อ, องเชี่ยในสัมมาอาชีวะอาบา ย, ย ทบาไเอบยเิ้หายมดิหาเงินในเมืองละานก็บอยังงไฟไหม่บ้านไหมเหื่นไห้ซานที่ดินมันยั่งอยไหม้อาบายยมุกมันไหม้ได้คิได้ใจที่ยั่งสายไยก็ม้ยั่งสายตาก็บ้ยั่งเวนก็บ้อยังอะไรก็บอยั่งไหม่หมดที่ดินที่ดอนก็บยยั่งเพื่อนสร้างก็ไหมหมดอบายยมวกมุกขามุกขาแปลว่ายู่ซึ่งหน้าซึ่งปาก อ้โม่เนี่ยละเร้าโลกสมุนามันเป็นยังมันจะกระทึบมือนออยู่นี่มันเ้าโลกเวนเาา้นอบัยมุกแล้วเลื่อนจากรบอนีายของเขาบ่าต้องรรรรเฝ้าอวายวะมุกกับสินันเดียวกันวง น, ร น, รนรอรถว่าฉันละลวงละมดสินหกระวงละเมดอวัยมุขึ่กันเอะนะเดียวกันเถอะนะสินหานมันเป็นสินของพระสวบั บรรที่โตขลามาวาสังบรรที่เป็นผู้คลองเรือนวันวันที่เป็นผู้คลองเรือนนะครับหลว ง, งแต่พระอานาคามีลงมาเด้พระอานาคามีกับคลองเรือนคือกันเนี่ยขังพระเจ้าเบิดหลายพอดพระโชด่าวันในต่างล้านผลพระโชดดาวันขลามบุ๋มเป็นสิมีแจ่นังวิสาขานัมปตาจารา่าเอานั่ง อ, อ, อุตตมามีหลายคนนั่น ในบาน้านนาลั่นทัข้ามเจมนับ ไ, ไว้ในกลุงรัชกื้แห่งหลายประโซนราชบ้านคลองขึน้นทั้งนั้นพระเจ้าพิมารสารทรงอํานาจชี้ขาดแล้วก็ทรงบัญญัติสิทธาบทเอาเองบัญญัติกฎหมายเอาเองเพราะพระเจ้าพิมารสารเป็นผู้มีเส้นห้าบริวูนการออกกฎหมายเอาเองก็ไม่นี้จากรักสร เ, เสินห้าเพราะเอาเส้นห้าแฝง มันก็เลยเป็นขมาที่วัดไต้ตนมของเพร่นเจาะพิพิสารหนึง่งเห็นพระสรดาวันพระพุ่มของพระสรดาวันมีเส้นหาบริบูรณ์ว่าเนสงสัยว่าเสียดายล่วงละเมิดว่าเสียดายอย่างร่วงะเมิดส้นหาเลยพุ่มพุ่มของพระสรดาวันซื้อไปให้หใุนไพ่รีหรอเนี่ว่าเสียด า, ายอย่างร่วงะเมิดเลยซื้อว่าไม่เป็นทางเส้นหาทางเดียวตร ง, ตร ง, ตรง ดิ้งลงไปแล้วบุ้ยเว้ยใช่ไหลอกมาร้อนว่าหายมันเจะเลิศได้จิตใจดิ้งลงไปหลอนมันออกจิตใจของ ม, น, ม น, นุษย์เฮาเลยขันดิ้งลงไปทั้งปิดมันก็ใหไฟถอนออกขึ้นกันขันดิ้งลงไปทั้ ง, งถือก็ให้ไฟใช่ไหมาถอนออกคือกันเห็นทังสันพระพุทธเจ้าจึงบ่ามารถสสวดพระสวดาบันสวดถอนพระสวดาบันม่ให้เป็นพุทธส้มข้นหนาได้ พระพุทธเจ้ามากก็ไม่ไมีม้ไสในทอมหาสมุทรร้รอยโกรธมหาสมุทรก็ตามตลอดถึงพระอรยสงฆ์สั่นเทือด เ, เหนือพระสดวดิบาลสบอยมีสักทาข้ามีอานาข้ามีพระนารันก็เหมือนกันร้อยโกรธมหาสมุทรก็ตามเทียบใจไม่สีแมทไสก็ได้สิมาสวดถอนพระสวัสดิบาลองค์เดียวให้มานเป็นพุทธส้มพนาให้มันขาดสาั้นรัก า, รรการพระพุทธิน迦รมรเทศบไดีธรรมาเทปไตย พระพุทธเจ้าสอนเป็นธรรมะที่พระไตรคำสอนใะไรนไตรโลกธาตุเนี่สีมาเที่ยบเครื่องใช้คำสอนพระพุทธเจ้าบัจักบัจตายเออสีมาท่ำ่าท่ำท่างขี่องค์ใชคำสอนพระพุทธเจ้าห้าวน่ยบัจักมัจจัยหันเออ ถือว่าควงค้อนเอาเม็ดเม็ดพันธ์ักกาศไปค่วงให้ผู้เขาหิมาไลบรบรบร่ร่อลองหลวงพ่เจ้าเขาลงไร่เห็นฟ้าเมดใตรโลกธานมาทมมันก็มาถึงโกสนายจากของหันเด้ท่นรักพระพุทธศา ส, าศาสนาในไต่โลกธานจึงมีพระพุทธเจ้าเมาก็เม็ดชินเม็ดท่ในทองมหาสมุทรร่อยโคตรมหาสมุทรคุณตั้งแต่กับไปยัองอสงไขอสงไข่กับ กัปหนึ่งกัปหนึ่งกับมีพระพุทธเจ้าหาพระองค์บ้างสีพระองค์บ้างสามพระองค์บ้างกัปนี่เป็นพัทธกัปอี้หาพระองค์ย่งสีอริยเมตตาสีมาอีกจ่งสิเป็นสุญญากัปจ่างสิมาอีกกัปหนึ่งสุญญากัปกัปกัปอันนี้นี่อายุซ้ํากันเท่าเดียวกันนั่นบุคคลผู้ใดเข้าร่วนับถือพระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ถอนบ่ขึนแผ่นดินนะสองสนสีมื่นโนดเข้าลูกระเบิดปรมาณน่ทำลายแตกเก็ิพูดถึงบัพพุพระธรรมประสคงแล้วเฮ้ยทีมาทำลายมันกับมาแตกทำลายเก็ ด, ท, ด, ดทําทำลายใจหรือว่าองคันอรรเลือดทุงยศบูชาพระธรรมประสมทั้งนั้นบุคคลผู้นั้นเรือกว่า เห็นสอบแล้วดิ้งแล้วพบเนียนแล้วไปเที่ยวก็ตามสร้างเพื่อว่านั่นอันเดีอานั่นแหะเห็นแจ้งเล้วยเห็นแจ้งจตุซัต์เส็ยบันลู่ทางที่อันระงับระดับทุกข์ไทยโดยเส็จพระผู้ตัดไตปัญญาผ่องใสสะอาดกระ่านหัวหมองเหมือนหางทางท่าสื่อฟองบ่อมีลาพองด้วยกายละวายกายไข่เป็นเนื้อนาบุญอันไยศาลแก่โรไก่เรีเกิดมีบุญผล สมยาเอารถพศพลมีคุณอนุน อ, นอนเนกจะนับเหลือตาข้าขอนบหมูพระสราพกทรงคุณาลุกคุณประดุลจะลำพันด้วยเด็กบุญค่าอภิวันพระไตรและอันอุดมดิเรกจะรับใส จ, จงช่วยกระจัดโวยภยัยอันตรายรายใดจงดับและกับเสื่อมสูญแต่กนรัชกาลที่หกนักเลี่ยนเวลาสือเลิกโรงเรียนเวลาสิปิดโรงเรียน <pec> มันมันต wow ้องไหวพระทุมงนี่ท่าก่อนบัดสูมือเนี่ยมันด้ยินเลยสัพ่อมีต่กิ้กตกิ้เกเตียมอยู่เว้ยเบื่อหลาเบื่อพ่อหายเศ้าหรือเปล่าเมื่หงู์หรือกปล่เมื่ออะเรื่องงับงับเลยเลยเอาห้านีมตัวสิว่าจะอะไรก็ว่าซะเันละสำนึง โตรทโมดสังโฆเย่าท <sh> ี่โอนถึงพระพุทธพรธรรมพระสงฆ์หมดละเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดีวเยกิไปติดไฟมาบูชาพระองค์เจ้าได้บอกสิงทีตายยักก็รอดไปของพระองค์เจ้าดอกไม้พระองค์เจ้าซาพระองค์เจ้า่ไม่น้องเฮาติดส้อยอุซ่าพระองค์เจ้าได้หรอบอก ของห้องเพื่อนดอกไม้ไเพื่อนบูชาเพื่อนของเพื่อนของเฮาซาลาเพื่อนเออสติปบูชาเพื่อนได้แล้วบอสฮันมหาเทละสั่นที่หนึ่งคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายสั่นที่สองคือพระปฏิจจทั้งหลายสั่นที่สาม คือพระอาหารหันตาชี้หน้าศพทั้งหลายนับทั้งเพศหญิงและเพศชายด้วยท่านที่สคือพระอน า, าค่ามิอันเป็นสาวกสาวิกาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วนั่นท่านที่หาคือพระสกทาค่ามิ่งท่านที่หกคือพระโสดาบันเบื้องอาบูฮะทั้งหลาย ในธรรมพิษพระมหาเทระทั้งหลายเรานี่ยด้วยกายกรรมสามวิจีกรรมสี่มโนกรรมสามอันใดอันหนึ่งเมื่อในภพก่สาตรก่อนก็ดีในปัจจุบันนี้นน ก, ก, ก, ก็ก ด, ด, กดีจะเปลี่ยนไปในครังหน้าก็ดีด้วยเดชพระมหาเทระทั้งหลายเรานาั้นจงส่งกัปโทนแกมูอห้าทั้งหลายอยู่ตรงเอวมีประมาณผลสุดท้ายมูอห้าทั้งหลายจงประสบจะควบสุดควบจะเลื่ญนในบ่าวอระพุทธศาสนาข้อพัฒนาสัาพพะเจ้า ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบยุทุกนาบรมีความมั่นันก็าขาเทินที่นี่ได้ระวางมมเห้าที่นี่ทั่วทั้งไตโลกธาตุทั้งที่มานีก็ดีบะม่านีก็าากดีขออธิษฐานแลีตั้งสัจจาปรมีสัมปันโนอธิษฐานรมีสัมปันโนสัจจารมีสัมปันโนไว เมือ่อนทัพิกันด้วยกายกกรรมสามีกมกีมกรรมสทัทั้งไตโรก ท, ทัดที่มีวิญญาณ้องึงย่มีกดีทั้งที่มากกดีาดมากก่าดีทั่วไตโลก ท, ทัต่างฝ่ายต่างหาอโหสิกรรมแก้กันทีทุกมอบ่มีประมาณผล ท, ทุดท่ายมืหอหาทั้งหลายทั้ทั้งไตโลก ท, ทัจงยาสุนีเวศมีไพ่แก้กันและกันทั้งอื่นๆนั่งนอนรับตืนตราจะเศขสูคนผ่านประสบจะคลงุดคล้อจเลืนน่บอกพ่านภูษศาสนาขอ ง, ของพัฒนาะพุทธเจ้าอยู่ทุกมอบ่มีประม ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนั่ทั้งรับทั้งตื่นและลริ่มได้ก็เริ่ได้ก็ดีผนทุกข์ในวัฏฏะสงสารตามข้อประสงค์ของตนของตนทุกวนหนาอยู่ทุกงาบะมีปมานก็ข่าวเถิดอาหารสุขแห่งนี้จะมีความมีตาบางยัตสาปปังกะตังกมังกุสเลนะปะหิยตีโซมังโลกังโมภาเศรษพรมตัวจันี่มาอภิวาทานาสียสานิจังวุฑาปจายโนยัตตาโรธรรมาวัฏฐนติอายุวันโนสุขังพระลังอั เสียงท่าวัดเป็นเสียงม่มีเว้นี่ไพ่มันมันมันม่คือเสียงทั้งโลกวันมีพระพุทธศาสนาแสกแสกนี่แหละโลกฉะนสวัสดีคุณป้าสวัสดีคุณลุงสวัสดีคุณหน้าคุณอาคุณหนูคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมันจังมีอมันมีออกมาจากสายมันออกมาออกมาจากอายุวัตโนสุขางพลังของพระนะ มันออกมาจากหาันอายุโนสุขังพลงังเห็นสันยังว่ามีคุณปา้าคุณอาคุณลงุงสวัสดีฝังสันทีจังไม่เห็นละขันโมยพระพุทธศาสนาแทรกแทรกอยู่ในโลกนกี่เสียงปืนเสียงลูกระเบดิดออสิเป็นเสียงสวดมนต์สะเป็นเสียงพระวนาพุทโธกินของโลกกับกินเหม็นกัคักนี่แหละไปติดไปเขาท่านไรติดไปฝังท่านจะเอาให้เป๊กให้ป่ว่าจะใส่กระดกดกระเรียบ นายบอกท่านนะหูยมือโตคืดแย่มือนี่ก็ได้เห็นว่านนี่อยู่ไหนอยู่น้ำเพื่อนในการสีผู้ย้ายเราไม่อยากคืดมือโตแมียนบอกกูได้เป็นลูกศิษย์เพื่อนจากพุ่นแ้วซ่อมชาวลาใน่ค่ถึงว่าวัตถิวาได้หรอเพื่อนหันแมียนบอกชิมหมอบริมวานไดคือพิมานด้วยอ้ยมื่อนี้เ่อยเดียวเนี่ยมื่อนี่ เยอะพ่อไก่เลยพ่อสามดูเกาะสามากทำงานเพ่อชาตออไปกระซุไปกระชุกุผูท่อทั้มอทั้งโก้ระุบกระุบกระุบกระซุกระุบททมอทั้งโกกระซุบกระุไปทอทัมอทั้งโกกระซุบกระซุบกระซุบกระุ ถ้าอิสานฟังไม่ค่อยถอนอัดฟังไม่ถนั ด, ดเราเป็นมนุษย์สุดจะปลีกหลีกให้พ้นความทุกยากความกังวลมีสินงท่าบริบูรณ์เวทอบายในมกทุกประเภททำมาหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ อวัยวะมุทุกประเภทเป็นเหตุให้ชีพหายหนาเดียวไม่มีทางเจริญเลนเราไม่ต้องสงสัยดอกคําสอนของพระบรมศราสดาเป็นคําสอนที่ไม่บูดไม่เน่าไม่เหมือนแกงของพวกเราแกงของพวกเรานั้นถ้าไม่กินมันก็บุดก็เน่าอันนั้นเอามาชิมมารับทานเวลาไหนก็มีรสชาติอุ่นๆอยู่หรือพอดีพองามไม่จืดไม่ชืด ถ้าเป็นทุนทางก็ไม่มีหญ้าเปิดรบเตี้ยนอยู่เสมอๆจะมีใครกวาดหรือไม่กวาดก็ตามฉัในใดก็ดีเราเป็นเพียงร่างมือเปิดเท่านั้นเราชอบสินห้าสิ้นแปดสิ้นสองร้ยี่สิเกียรหรือสิ้นอะไรเราชอบกรรมฐานอะไรเราก็พาวนาเทานั้นลมหายใจเข้าออกเราก็ไม่ได้ซื้อแต่ขอกับใครยืมลมหายใจเข้าออก ท่านมาของของดีฉันไม่มีเราก็ไม่ได้ว่ายืมพุทโธ ท, ท่านมาบริกรรมพุทโธฉันไม่มีเดี๋ยวฉันจะเอาไปส่งดอกเราไม่ไว่าเราบริกรรมได้ทุกเวลาไม่หาทำท่าทาำทางอยู่ในรถในเรือภาวนาอะไรทั้งนั้นนอนก็ภาวนาอะไรทั้งนั้นหลับคาภาวนาอะไรทั้งนั้นนั่งก็ภาวนาอะไรทั้งนั้นไปในรถในเรือภาวนาทั้งนั้นอตายก็ตายตายคาภาวนา ถ้าตายคาภ า, าวนาไปเกิดพมลโลกก็มีไปเกิดในอาาาวิหะตะปาสุสัสสาสุสีก็มีพ้นเป็ อ, อกจากเป็นพระหันก็มีเป็นพระโสดาบันก็มีตายาภ า, าวนาพระพุ ท, งงาทบางท่านก็ไปได้บางท่านก็ไปได้เพาราะเวลากําลังเจ็บปว่วยอยู่นั้นมันเอาทุกมาเป็นอารมณ์ แล้วก็เบื่อหน่ายใครมาในวัฏจัารทังสารทั้งอดีตทั้งอนาคตด้วยวิญญาณปฏิสนณฑ์ก็มายินดีใดๆทั้งปวงไม่ยินดีในอะไรทั้งปวงทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเห็นว่าเป็นกองทุกเสือหน้ากันเหมือนหน้ากลองเห็นจนรุมนฐานเพิงหมดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันทีนี้วิญญาณปฏิสนณฑ์ก็ไม่มีที่เกาะทีนี่วิญญาณปฏิสัณฑ์มันมีที่เกาะก็เข้าสู่พระย槃เท่านั้นนั่น เพราะไม่เช well. well. ื <Repe ated words> ่อใจและอะไรในโลกทัปวงเห็นทุกขณะคิดเดียวก็เห็นโลกรอบแล้วเพราะโลกเต็มได้วยกองทุกเห็นอันนี้จังขณะคิดเดียวก็เห็นโลกรอบแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยอันนี้จังสังขาราประมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งสพระโลกเป็นทุกอย่างยิ่งอันนี้จังเป็นทุกอย่างยิ่งชาติเกิดแก่แกบตายเป็นทุกอย่างยิ่งก็มีความหมายอันเดียวกัน สิ่งที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณเป็นทุกอย่างยิ่งก็มีความหมายเดียวกันสังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือมูลสัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่กามาพจรหกชั้นพรหมโลกได้แก่กรูปพรหมถึงหกชั้นกับอรูปพรหมสี่ชั้นโลกทั้งหลายเหล่านี้รวมลงมาในสังขารโลกนั่นเองสังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกขอย่างยิ่งอย่างยิ่งมีอย่างยิ่งเพิ่มด้วย ถ้าเห็นทุกข์ในปัจจุบันแล้วทุกข์ในอดีตในอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเห็นพวงกับลมหายใจเข้าออกสังขารทางหลายเอามารวมให้กำลมหายใจเข้าออกแล้วโลกทางหลายเอามารวมให้กำลมหายใจเข้าออกแล้วความเกิดขึ้นความแปรปวนความความดับไปของสังขารในโลกทั้งปวงหระหว่างไม่ได้เมื่อความเกิดขึ้นหระหว่างไม่ได้ ความแปรปรวนหาระหว่างไม่ได้ความรับหาระหว่างไม่ได้ทีนี้รถของมันความทุกขก์หาระหว่างไม่ได้นั่นเห็นทุกในปัจจุบันในทุกในอดีตตอนไหนไหนก็ไม่สงสัยทุกในอนาคตตอนไหนไหนก็ไม่งสงสัยเอง ก, ก็ทิ้นความงสงสัยทั้งอดีตทั้งอนาคตเอาปัจจุบันเป็นพยานเป็นพยานเอก เราคว้ใจเข้าข้างหนึ่งพ่อมีมพ่อแปดมื่นสี่พระธรรมขันธ์แล้วมีไม่ใช่หลื ว, ว่าเราพิจณาดินดิ น, ดนจึงจะมีเราพิจณาน้ำน้าจึงจะมีเราพิจณาไฟไฟจึงจะมีเราพิจณาลมๆมจึงจะมีไม่ใช่อย่างนั้นเราพิจณาหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนี่มันตกลงห้าแล้วนี่ดินน้ำไฟลมก็เหมือนกันเรานับร้างฉากของมันสมมติ ก็สมมติที่ของไม่อยู่นั่นเองของถ้าของทั้ ง, ทงหลายไม่มีอยู่แล้วก็สมมุติไปขึ้นว<ม>ิมุตติก็เหมือนกันวิมุตติก็คือรุดกับสมมุตินั่นเองสมมุติทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าจงดูในหนังสือหนงอังสือใจเป็นสมมุติเบื้องต้นห<ม>นังสือได้ทุกคนนะอ<ม><ม>เอาละนะทีนี้นะออืไปกระชุกก็สูงสุงนะ ภาวนาเข้าให้ดีภาวนาภาวนานี้ไม่ใช่ว่าจะเอาทุกไปพนิพภัณด้ว ย, นานายพิายาจ า, า, า, ารณาให้รู้ตามเป็นจริงเพื่อหนายความหลงของตนจางหากไม่ใช่หน่ายอันอื่นนายความหลงของตนที่เกิลงมาก็่าหนายโลกรู้ตามเป็นจริงของความหลงของตน ต่อสู้กับความหลงของตนชนะก็ชนะอยู่ที่นี่แพ้ก็แพ้อยู่ที่นี่ที่เมืองใจนี่พระข้ากับเรือเราลืมตาหน่มันชนะมืดไปแล้วนี่ไม่รู้ว่ามืดมันไปอยู่ที่ไหนนี่ไม่อยากมาเกิดเจอก็ตายอีก เมื่อเห็นทุกข์เต็มไปในวัฏฏะสงสารแล้วเนี่ ย, ยจิตใจป็นคนเหนียวถึงพระนิพพานเท่านั้นมันก็ดับเพลินไปในตัวเมื่อต้องบันยัดก็ได้ไม่ต้องบันยัดยทุกข์สมุทัยนิโรธมักก็ต้องมาบันยัดดอกพิจารณาทุกข์อยู่สมุทยัยกับวักกับนิโรธมันไปด้วยกันพิญญาทุกข์เป็นอารมณ์อยู่สมุทัยความเทอทิฏยาในโลกทะกงปวงเขบาลงมักก็จเจริญขึ้นในตัวนิโรธก็ทําให้แจ้งภานในตัวนั่น มันเป็นศีลสมาธิปัญญาคงคืนกันอยู่ในตัวแล้วไม่ต้องบัญญัดมันเป็นฉันทาวิริยะกิตะวิมังสาอยู่ในตัวแล้วคงคืนกันแล้วเป็นเชือกสามเกลียวจับหนังก็ถูกเนื้อถูกกระดูกเหมือนกันนี่นนเห็นหน้าก็เห็นตาเห็นจมูกกันเหมือนกันนั่นแต่เป็นเพียงอักษรนยอ่อยเฉยๆเช่นพุทโธอย่างนี้ก็ภาวนา อ, อกักษรนยอ่อยเฉยๆก็ความเป็นจริงธรมโอทังโคก็อยู่ด้วยกันนะ่ อันเดียวกันถ้ารู้อันหนึ่งก็ก็รูหมดถ้าหลงอันหนึ่งก็หลงหมดเหมือนกันคน้าใจนาที่นี่ถูกถากแต่ถ้าอยังภาวนานพุทโธแล้วเวลานานใจปทำวัพุทโธบางทีก็เลี่ยนไปรู้แต่ลมหายใจนี่ได้ไหมได้เพราะรูหลงหายใจในี่เองเป็นพุทโธ ท, ท, ที่ที่ไม่ปฏิกรรม ได้เห็นอันนี้กังทุกครั้งอาณาตาเขาเรียกเอาพุโทโธอยู่ในตัวเพราะพุโทโธสอนให้ให้รู้หมดพุโทโธกระแปลออกครบหลายหมื่นที่พระธรรมคันก็ไม่จบง่ายมันเป็นพุโทโธอยู่ในตัวแล้วทําไมออพอลงหายใจเบาลงแล้วความรู้สึกเหมันจะเลงเราเราฝูงตัวเ ร, เราต้องเล็งเลยใช่ไหมเวลาภาวนาพุทโธแล้วอพอลงหายใจเบาลงแล้วเหมือนกับความรู้สึกมันจะไหล มันจะจะลงต้องต้องหยุดภาวนาหยุดก็ได้ยุก็รู้ว่าเราหยุด แ, แล้วก็เลิกไปเลยใช่มคะเลิก ไ, ไปเลยั ม, ยลย ม, มันหมดกำลังมันถอนออกมาอีกแล้วพอพิจารณงหยุดแล้วก็พิจนารณาเอาเให้เข้าใจว่าบุญในชั้นนั้นมันก็ยังจะเป็นอนิจจังอยู่หมดกาลังมันก็ถอนออกมาบุญในชั้นนั้น่ะยังเป็นอนิจจังอยู่ ข้ามชีโลชีโกชีลงมันคำว่าชีถึงครบแปดบนสิพธรรมขันหมือนหนึ่งเบวส่าเบื้อนายตัวเนึ่งเวส่าเขียดลาบตัวพระพุทธเจ้าเนึ่งเวส่าปลดอาวุธตัวปลดเวดปลดไย ปศปศปศอาวุธปศขาสัตว์รักษาประพฤติพิณายกรมปอาวุธอีกปศเลยปศผาปดบัดรดเบออ์ปศส่วนต่วยเนี่ยหรอยังว่าปอาวุธอาวุธเว้อาวุธไผอาวุธเชียบหายอศเว้นดผาปดบัดรปเบอร์ปศเว้นสนองเว้นไผ่สนองไผ่มึงถนากันบห้มีในจิตเลย มึงชนามึงชนาใ่ไหนี่กูว่ามาหลงเกลี้ยยตายอีกดอกมึงชนากูติดขับสูส้ปฏิภาณเหมืนอนว่าวางใจนี่นนเวออ ท, ทนาใคายังม่าเวทนาว่าเป็นสัตว์ว่ามรุก่อนว่ามตวนตนเราเขาพิจารณาเวทนาตามเป็นจริงของเวท น, นาพิจารณากายเป็นอารมณ์ว่าพิจารณาเวทนาเป็นอารมณ์ว่าเวทนานี่ก็สก้าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุ ค, ค่อตัวตนเราเขาเป็นเพียงเวทนานุปัสนาเท่านั้น เป่ทราบวาูกเป็นทีนทาบวาเห็นในสื่อเวทนาขว่ามันสอว่ามันพุ่คนถ้าปยุดธ์ดัวเวทนาเป็นเท่าเท่าเป็นเวทนาเทาที่าเป็นเพตายข้าเวทนาอย่างนี้แล้วอืมเศรา <c oughs> พราะพพ พ, พ, พ, พ, พุทธเจ้าสอนใเออนเบื้อหน้าเวทนาหมดท่าหมอืมเน่าผองเ่ายั่งสิบประจองนะอ้เบียร์ขาเวทนาโอเบียร์ขาติดโอเบียขากลายเป็นโอเบีย์ขววงไมายาง เวทนาสุขคนมันก็พาะปานเวทนาสุขกัปนยังมันมันไหวี่มันเกิดการบ่อนรื่องนไหอืมมันเกิดมันดับเป็นนี่มันเกิดมันดับเป็นเวทนาทุกข์กิดเกิดขึ้นเป็นดับเป็นทุกข์ก็เกิดเกิเป็นดับเป็นเวค้าก็เกิดขึ้นเป็นดับเป็นโสมนัสข่มดีใจ จักเป็นสุปขเวทนาโทมนัตข้มเสจักเป็นทุกขเวทนาโอเบขาสุขทุกโสมนัตโทมนัตโอเบขาโอเบขาขมาค่อว่างเฉยๆคบเก่าฮะนะเ ว, ว, ah. ah วทนาห้าุขทุกโสมนัตโทมนัตโอเบขาเวทนาทั้งหนี่เกิดขึ้นแนวแปลปวนแล้วจะสลายบางอย่งเรียกทวิปัญจวญญาณสงข้อข้าในจาพวกเอเหตุทุกกิจคือกิจอันไม่ใช่เหตุ สวนในพระสูตรดวงพุทธมโนวิญญาณเป็นวิญญาณหวิญญาณหจะคู่วิญญาณวิญญาณทางดวตาโสตวิญญาณวิญญาณทางหูคณะวิญญาณวิญญาณทางจมูกชิ้นหวิญญาณวิญญาณทางลิ้นกายเวิญญาณวิญญาณทางกายวิญญาณห้านี้ในพระอภิธรรมแยกออกเป็นประเภทหนึ่งต่างหากจากมโนวิญญาณและแยกเป็นประเภทน้อยออกไปเป็นกุศลหิบากและอกุศลหิบากเรียกทวิปัญจวิญญาณ สองเะเข้าในจังพอหิเหตุขกขาจิตคือจิตอัมิช่ยเหตุในพระสูตรรวงพ่อคมาโนวิญญาณเป็นนวยิญญาณหกโดยทั้อนนองอำ น, นาจอณิจังเกิดขึ้นได้แปลควาในแตกสลายทั้งนั้นคืออนิจังอันละเอียดนั่นภาวนะเข้าไปเห็นในมิดในม่อยเห็นเทียวุฒิเทียวลาพยินร พ, พระพ้มพขายะมพระการที่ตโลว ก, กบานนั่นคืนอกลงใส่อณิจังนั่นเดี๋ยวเห็นโลกวด มันจะเกิดแบบดีมากสวยปันนี้จะสร้างเสถีวุฒเทวดาเมื่อคือแต่อำนาจอันจังอันนี้จังอันละเอียดก็คือผู้รู้เลยนะเยอรู้นั่นเสอะรู้รู้นี่พระพุทธเจ้าบทธิศยังในผู้รู้อีกด้วยบททิศยัในจิตจิตเป็นเจ้ว่าวจิตผู้รู้เป็นเจะาสาวผู้รู้ถ้ามันเป็นเจ้าสาวธรรมผู้รู้เป็นเจ้ผู้รู้จิตเป็นเจ้ว่าจิตบททิศไปจิตแต่จิตจิตเด่นดวงพระพุทธเจ้าาบอว่าจิตไอ้ของจักก็คือ จิตเดินดวงจิตเดินดวงมันพระนิพพานเลยจิตอยู่ในสมาธิอยู่ในปัจนาคือพนิพพานมันจะจิตใสเลยมันจะจิตอยู่นอดีตอนาคปัจจุบันมันจะสั่งขั้นตัวอยู่ในพนิพพานมันจะสักับทําตัวอยู่นอกมันจะสําคั้นตัวอยู่ในมันจะสั่งขั้ตัวอยู่ในบัฏฏูรณาสสารนี่ยังมันมีเหตุเป็นสารอุปาทานจิตทั้งหลายจึงว่างมัมีสารมัมีบุคคลไปยึบไปถือเอาเดี๋ยวจิตว่า ทำทรายก็เลยว่ามันมผู้สัตว์บ่มันพนมันสัตไปหบไปถือออกเป็นจะคลองมันสาคัญในตนื้อมันสคัญว่ะตอยู่เนื้อถ้ำเน่ถือว่าถ้ำยุคอนไม่ยุคอนเลย่เข้าลบเสมอเสมอพระพุทธเจ้าจึงเข้าลบถ้ำพระพุทธเจ้าเชืว่าสวดถอนพระสวดดาวันให้เป็นพุทธส่วง้นหนาก็าอไมดมัดทุกพระองค์มาก็ไม่ให้ไม่ได้ถือว่าสวดถอนพระสวดาวันเป็นพุทธส่วงข้นหนาเขาอะไ้ สมว่าสวดถอนพระสักขะธาข้ามิมาให้เป็นพระสวัสดิ awan กบอะไรสิบสวดถอนพระอนาคข้ามิมาให้เป็นพระสักขะธาข้ามิตามลงกบอะไรสิสวดถอนพระอรหันต์มาให้เป็นพระอนาคข้ามีกบอะไรสิสวดถอนพระพัตเจกว่าให้เป็นสาวกกบอะไรสิสวดถอนพระพุทธเจ้ามาให้เป็นพระพัตเจกกบอะไรหรือสารพระพุทธเจ้าที่เข้าร้องคำนั่น ทลทางาไรไม่มีอยู่ก่อนเนี่ยทำทางายก็มีอยู่ก่อนวพระพุทธเจ้าทงจงักจ้งสิจำแนกทำเป็นพระคาวามันพูดจำแนกทำถ้าทำมันไมีอยู่ก่อนเพราะประมา ส, า, าสตร์าก็แจกทำไม่ได้ถ้ามีอยู่ก่อนแล้วจึงแจกทำออกเพื่อให้เราเห็นคือดินมะนาไส้ร่มแล้วมันมีอยู่ก่อนพระจบัญญัติว่าดินมะนาว่าไส้ว่าล่มใดก็บัญญัติตามของกิงของไม้ก็ได้แนละ ม, มันบ่มีอยู่ก่อนที่บัญญัติใดบ บาบุบบคู่โทษกับกมันม่ยีอกรณ์ยังมันยันใดมันไม่มียุปกรณกับมันยันบลได้มักผลในฟ้ากับคู่กรรมทั้งในสัวกับพวกไทยละทั้งในสี่คนในเจริญนั่นนักเทศเอกมุ่งจักวะนักเทศเอกอ่ะนั่งหูมือในนักเพศเอกนังหูมือนักเพศใกล้อ่ะมีซุกคนซุคนอ่ะมีกรรมฐานซุคน ผู้บวชกับยุ่งกับกรรมฐานผู้บวบวกกับยุ่งกับกรรมฐานเท่กันเนี่ยบางทีบวชกรรมฐานผู้คนกรรมฐานก็ไม่ยุ่งมัดแม่ไต่โลกาตุนกรรมฐานนึ่ะฐานะไปแล้วที่ตั้งอยู่แม่ไต่โลกธาตุเน like ี่ยมันบวมันบ่ชเทียมมันก็เป็นกรรมฐานเท่ากันก็ขึ้นแด้ไปควรตด้เอทรายบางทีมันขิ้นมากรรมฐานก็พระโลดก็ผ่าเหลืองพี่กมกนเลี้งฟันนังเล่เอ็นกระดูกเป็นกรรมฐานเจรยางเะยย่างเออเกิดแก่เก็บ้งตายเป็นกรรมฐานเจรยางเะยย่าง ยิาฝากทายออกทว่านนักทว่านเบาดูคุมคนคุ้มผมเป็นกรรมฐานจระยางระยางทั้งนั้นะเทิดยบ่มีเขเล่นขึ้นก็แก่แก่บ่มีเขาเล่ขึ้นเก็บเก็บบ่มีเขาเล่ขึ้นก็ตายจากสายสายบเทียงเขาบ่มีเขาเลขึ้นน่นเรียกพักกะเรื่มพักใจขาออกกค้นด้วความคิดกะบ่มีเขาเล่นขึ้นความความคิดกคิดยิ้มบ่มีเขา่งขึ้นเกิดดับยิ้บ่มเ่ขึ้นก็เลขึ้น คนเาคคิดเป็นอันนี้จากงานละเอียดที่สุดเนอติดต่อกันคือไฟเนี่ยเป็นแสงติดต่อกันเกิด W เรื่อยๆจนเป็นแสงติดต่อกันคือไฟเนี่ยมันจะเป็นแสงเดี่ยวกันเหมืนแบบมันแบบแม่งสกนะเป็นการระดับนะตือวดมันเกิด W เร็วติดกันเลยตองแกจะดใหญ่อหังนู้นเขเริ่พ่ พระพุทธเจ้าองค์ไหนสอนให้ไม่อินดีในโลกอันนี้พระพุทธเจ้าองค์ไหนสอนว่าให้ัวงโลกท่นี่ปล่อยให้ผู้เขาห้องกัจแก่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ละบอกเคลื่อนไปสวรางเสลื่นไปผ่านคุวางห่งพระพุทธเจ้าเขาจะมาเกิดเขามาเกิดจะมาขวงเขาลายสังเวชพเขามาเกิดจะตกซัที่ในป่าในน่านมุ่นมดแมงมุมแมงเมาต่ละมูละมู่นร้านตอนไหนเห็ด้วำนึพระพุทธเจ้าจึงมากร่อยโกงมาเป็นยุคเปนยุคก็ได้ แต่กลับไปังจับเป็นอสองไข่อาสงไขกลับหออันนี้ยกลับนี่ซือได้กลับได้ทียยนี่หยสอทนีเท่านี้แล้วอันนี้มนกลับนี่ซือพัตะกลับซือ้ตะเีไมไยังทไม่อีกอันนั้นตะกลับก่นมาหาอสองไข่อสงไข่ก่น แรว่ามันถิ่นอู่ใีเมตไตทานี่ยังถิ่นว่าอีกอนาคตเม่อจักเทไรเทไรอันนี้ว่าจะได้กลับนีซือดอกไนี่าหอไป่าวันนีพระันว่าขาดโลกนีอยู่ในอยู่ของพระพุทธเจ้าทศโผงเออพระนพระพุทธเจ้านี่ว่าจำกัและเจคะีสามาันไม่ีเลยะคกอื เราจะพสสามบาลมีข้อว่าสามเป็นบมี่พุทธเจ้าสามพรบัลลังก์สามบคุคคลสูงวัยอกลงลงทุนหลายลงทุ่นหลายลงทุ่นหลายกลายเปทุกข์ร้เทือกเกิดไล้เทือกเกิดทุกข์ร้เทือเ ก, อกเจ้ได้ด์กโพดสัตว์ไรเทือเกิดมาพได้สัตว เป็นห้อหนาเขาวัดพระพุทธเจ้ามันเป็นคนมันเป็นห้อหนาเขามันเป็นนกก็เป็นห้อหนาเขามัเป็นงอตผู้วามขขงมเป็นห้อหนาเขาคำพูดแล้วสร้างบารมีอยู่พระพุทธเจ้าสร้างบารมี เ, เ, มเ่ยสันที่หนึ่งคือพระพุทธเจ้าสันที่สองพระิเจกสันที่สามพระรัชกาชีนาศพนับทั้งเพญิงและพจใสางบารมีสาบารมีนี้องสน ชนรสศาสตร์ของภายในผ่านอันเดียวกันรสศาสตร์ของพระใิพ่านพระประเจกอันหนึ่งพระพุทธเจ้าอันหนึงง่งโมแมนรสศาสตร์อันเดียวกันแต่ในเวลาเ่อท่านตายเนี่ยแล้วคุณสมบัติต่างกันตั้งนึ่งนะับนักส์รู้ตัเองอ๋อนัก ส, สัต์้ตัวเองอันพอพระพระเจ ก, กกับรพระพุทธเจ้าก็ดีแต่คุณสมบัตถถิต่างกันคุณสมบัติชี้ไม่ลาบไม่ยอดอันเป็นวัตถุนิยมเห็นไหม คนอุดมคตนี่ยจิบใจรสชาติของพันธุัน์อันเดียวกันใรมงสิคนสั้นต่ำสั้นสูงกรองกรจิบเกลือกรจิบน้อยกเข้มน้อยกิะเหลายรเข็มหลาย้ากสันีรสชาติเดียวกันเห็งเขาใจว่าของสันว่ารถของพันธพั์คล้ายๆรถเผ็เพชรรถเข้มลยั่งเงบอยู่ว่าคนสั่นไดกาลื่นรถพุ่การอ่ ไปกีบหน่อยเข้มหน่อยไปกีบไรเข้มหลายหวานหน่อยวานหลายขนอยขหลายอันเดียวกันมีรถคือกันเสมอกรเมื่อาลีน่าารนั่นรถศาตรของพริพงานอันเดียวกันพิะสบารมีหน่อยมากตั yes ้มสูงและรีดเด็ดและลาบยศตัางกันคือในเวลาบ้านตายนั่นรถห้าตายแล้วรถศาสตร์อันเดียวกันรถาสตวมาเกิดแก้เกตาย โมมันค ร, รนะะอรุักบอบอระพระเะนะ